ธรรมชาติผู้อินนั้เราจะนํามาพูดกันได้ยนะังไงเพราะมีรูปลักษณะพอที่จะนามาพูดได้แต่กม็มีใครสงสัยบรรดาผู้อินแล้วท่านผู้อินโลกและทุกอย่างหรืออินธรรมและทุกอย่างธรรมาทีงว่าอินโลกอินธรรมคือไม่ติดทั้งโลกติดทั้งธรรมเรียกว่าอินผู้ที่อิ่นดังะฉะนั้นท่านจะเป็นนิพพานเต็มที่เป็นผอิน นั่นนจิจเป็นนม่ผ่านสิิที่อิ่เต็ตัวเต็มที่ไม่ไหวการทำฉันเนวรู้ทำนิทานมีน้ําหนักเท่ากันเพราะเป็นกิริยาวสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ละเพรา น, นั้นไม่ใช่สมมตุติไม่ใช่วิสัยจัมารักก์นึ่งเที่ยวกันได้เท่านั้นอย่างด้ว ย, ใใ อ, ยอิม่มใครจะนํามาแจ้งไล่ไหมความอิ่มนั้นมีรูปลักษณะอย่างไง มีอาการอย่างไรจะได้ไม่ได้แต่ต้อง ม, มีใครสงสัยว่ตับคนตับ mm hmm. เคยรับทางจน ถ, งถึงความอิ่มด้วยกันมาถึงประจำอยู่แล้ว mm hmm. ถ้าอิ่มเต็มที่แล้วมัรู้ตัวเองกิด mm hmm. เมื่ออิ่มเต็มที่แล้วว่าอย่างนั้น mm hmm. แล้วก็พูดถังหนึ่งนิพพานศูนย์ก่อนแล้วเราก็พูดอย่างนี้แล้วก็แยกไป ตอนนี้เวลาเนี่ยความอิ่มของเราที่อิ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วรับพามใหม่ๆเนี่ยแล้วศูนย์ไหมล่ะรู้อยู่ไหมะศูนย์ไปไหนไหมมีความอิ่ม้วเวลาเนี่ยต่างคนต่างรับทามด้วยกันอื่นแล้วก็มาคุยธรรมะาอันนี้น่ะความอิ่มนั้นประจับอยู่ไหมประจับแล้วนา ม, มาแสดงออกได้ไหมว่าเป็นรูปร่ปางหนาไหมแสดงไม่ได้แล้วศูนย์ไหมล่ะไม่ศูนย์รู้อยู่กันเพราะอย่านี้นั่นก็ยังนั่นอยู่ด ่ีถามสองข้อคนเคยสร้างบารมีมาก่อน น, นั่นหนึ่อะไรว่าน่นแล้วก็กะหลุนยอดต่เลยตั้งข้อเสียเจเยี๊ยบนี่นเข้าใจในขนาด น, นั้นพูดไปทุกเรอ ง, งบุญลงบาตโลกตอนนี้มันไปลบล้างขวากลบล้างหนามนะครับ น้ำมีทางมันทางก็ว่าไม่มีมันลบล้างเงาโลกสวรรค์มันมั น, มนลบล้างบมญลบล้างบาปนั่นแหละมันเป็นทดลองเดียวกันกับเขาเดินไปด้วยความตั้งหมายตามสายทาง ม, มีความมีน้ำก็ไม่ระวังมีหัวต่อมันก็ไม่ระวังมีหินอยู่นั่นก็ไม่ระวังความเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเหยียบความหยียบน้ำก็ เหยียบในขณะที่เข้าใจว่าหนามไม่มีนั่นแหละว่ามันโดนสะดุดก็ในขณะที่โดนสะดุดก็คือขณะดที่เข้าใจว่าหัวต่อไม่มีหรือหินไม่มีนั่นเองมันโดนะเพราะความมีอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําคัญว่าไม่มีความสําคัญว่าไม่มีนี่ลบล้างถึงมีอยู่ทั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจึงต้องเหยียบความเหยียบ้ําตกเขียวตกบ่อกันโดนสะดุดกันโดนนั่นโดนนี้กันะ เข้าใจว่าไม่มีอะไรกโดนเอาโดนเอาผู้นั้นนะผู้เจ็บผู้เข้าใจว่าไม่มีผู้เข้าใจว่ามีผู้นั้นระวังนะคอยเจ็บเดินไปตามถนนทางก็ดูถนนทางให้ชัดเจนขวางน้ําก็ไม่เหยียบหินก็ไม่โดนตอไม้ก็ไม่โดนผู้นั้นปลอดภัยเพราะผู้นั้นระวังเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่อาจจะมีอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ความระวังไปตลอดสายนั่นคือความไม่ประมาผู้นั้นปลอดภัย กว่าคนที่ไปโลกความประมาทเข้าใจว่าอะไรไม่มีมีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกที่นี้บาปบุญก็มีอยู่ในโลกเหมือนกันเคยมีมาตั้งแต่กาลไหนไหนบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนความตําคัญเราจะว่าแต่ว่ามีหรือไม่มีก็ตามสิ่งนั้นดีอยู่แล้วจะสําคัญรนั้นไม่มี ก็สำคัญด้ยเฉยไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เช่นเดียวกับเราสำคัญว่านามไม่มีหัวต่อไม่มีอย่างนี้เป็นความสำคัญนด่เฉยสิ่งนั้นมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับการสำคัญหรือไม่สำคัญของไข่ลบล้างไม่ได้อันนี้พูดถึงจะโดนบาปโดนนรกก็คือผู้ที่เข้าใจว่านรกไม่มีนั่นแหละมาบาปไม่มีนั่ น, นมันโดนไม่มีผู้ใดจะไปโดน จะไปตกในโลกกับผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นเนี่ยคือจะโดนบาปเป็นความทุกข์ทรมานก็คือผู้เข้าใจว่าบาปไม่มีนั่นะผู้นั้นไม่ระวังเหมือนกับคนเดินทางไม่ระวังร่าฝาว่าน้ามีว่าหวัวตอมีว่าก้อนหินสิ่งที่จะโดนเท้าไม่มีนั่นหละโดนเอาโดนเอาหยี่อาเอายี่อเอา เป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นไปตามความรอคาญแล้วคนตาบอดนี่มันมองเห็นอะไรนี่คนไม่น่าจะมีอะไรมาโดนมันได้เพราะมันไม่เห็นทำน ม, มีทาไมข้าไม่เห็ น, นแล้วก็โดนไม้กับตาบอดนั้นโดนเก่งกว่าเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาบอดนี่ไม่ขึ้นอยู่ความมีอยู่ของมัน พวกเรามันบอดว่าไ ง, งแต่สิ่งที่มีอยู่มันยังโดนมีอยู่อย่างหยาบๆเป็นที่ใส้องตามองเห็นได้อย่างชัดๆมันยังโดนได้เหยียบได้สิ่งที่เป็นของละเอียบทําไมมันจะโดนไม่ได้อะรน้ำเชื่อเราอยู่เหรือเปล่าตาบอดขนาดนี้ยังอวดว่าตัวเก่งอยู่เลยหร พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนตามบอสโลกวิถูฟังด้วยรู้แจ้งเห็นจริงโลกทุกอย่างโลกนอกโลกในรู้ตลอดทัวถึงโลกคลิปโลกธรรมดารู้หมดโลกคลิปก็คือสามารถด้วมองเห็นด้วยพระจักษัญญาคลิประโสดคลิประจักษุพระองค์มีคลิปสิ่งที่โลกคลิปพระองค์ก็มี เพื่อนะผิดดูอยังวิทยุสิโทรทัศน์อย่างที่แต่ก่อนใครเห็นนี้เมื่อไหร่พูดกันเชื่อเมื่อไรแล้วเดือนนี้มันเกล่อนแล้วทาลายคนแล้วก็ทิพายวายปลวงไปมันก็ ย, ย, นยังพอแจ้เห็นไหมละ่ละนาราสามารถเขาทำกันอยู่ที่ไหนโลกไหนมันก็เอามาดูได้อยู่ในบ้านของตัวเองมันยังดูได้เห็นได้แล้วพี่นางสิ นั่นแหลเของมีอยู่นั่นแหละเขาทำกันอยู่ว่ามันมีอยู่นั่นมันมีเครื่องรับันมันก็ได้ทางโทรทัศน์เขาชกมวยเมืองไหนหนึ่งมาเปิดดูได้หนึ่งดูสิตะกอนมันมีได้เมื่อไหร่และปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีแต่ไม่สามารถที่จะทำคุณไทรปัดกดทัดเจนได้อย่างทุกวันนั่นก็อย่างนั้นแหละ พ่อเจ้ายิ่งฉลาดแนี่คมกว่าพวงนี้เป็นไม่ไหนโลกทิพย์มัต้องไปหาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องประกอบโลกทิพย์กับพวกผมก็มีธรรมทิพย์นี่ว่างทิพย์พระโสดเนี่ยหูทิพย์เสียทิพย์ประจักษสุญานเนี่ยตาทิพย์เสียไม่ใช่ตา น, นี้อสิ่งที่มองควรจะแต้มแต่ตาเนื้อพวกผมเอาตาเนื้อดู ถึงที่ควรจะหูนื้อก็อาหูเนื้อฟังถึงที่ควรจะหูทิพย์ก็เอาหูทิพย์ฟังถึงที่ควรจะตาทิพย์ก็ตาทิพย์ฟังเพราะมันมีอยู่ทุกแน่ทุกมุมมีอยู่หลายขั้นหลายตอนทั้งหยาบทั้งละเอียดโลกกว่านี้คำว่าสัตว์เท่านั้นให้สั ต, ยยตว์ตยย่างๆโตๆใหญ่สัตว์ในทะเลนึกชา้างนี้มันก็มีเล็กกว่านั้นออกมามันก็มี จนกระทั่ทงเชื้อโรคนะมันะเอียดขนาดไหนถ้า ม, มีเครื่องกล้องขยายกล้องสองมันก็ไม่เห็นร่งางทางตายของเราไม่เห็นเหตุน้เมื่อไม่เห็นแล้วมันเป็นอันตรายต่อคนได้ไหมคนไม่เห็นเช่นโรคฮิวาเป็นต้นมันทําลายคนตายมาสักเท่าไหร่แล้วมีเพราะไม่มีเครื่องทันมา น, นั้นเองแต่มีเครื่องแล้วพิสูจน์จังภาค ก, ก็รู้โอ้โรคฮหวา น้ำมีช่วอโรคสิ่งที่เราไม่เห็นน่ะมันเป็นภัยต่อเราเราไม่เห็นน้ ว, ว่ามันไม่มีมันถิดสิ่งที่มีมันมีอยู่ยต้องระมัดระวังหลวงพ่อพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้ทางนั้นไม่มีองค์ใดที่จะก้าวไกล ในการสอนโลกเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าอางค์ใดสอนแบบเดียวกันหมดสอนอัดสอนทันไม่ได้ก้าวไ ก, กันแม่นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติแห่งความจริงเหล่านั้นเหมือนกับการสอนจึงสอนแบบเดียวกันเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนสิงนั้นไม่มีนี่แหละมันต่างกันอย่างนี้อคนเราดูหากพระพุทธเจ้า เหมือนกับคนเราทั่วๆไปนี่จะยอมจำล อ, องพระองค์ว่าเป็นพุทธังสนากระฉามี่ได้ยังไงทำมังขังขางสังกระฉามีให้เสียเวลาเวลาเหนื่อยเปล่าสมัยเพราะท่านพิเศษเลื่อนกว่าเราเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่เห็นท่านสามารถเห็นเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นท่านสามารถทํานั้นสิ่งที่เราทําไม่ได้ท่านทําได้สิ่งที่เราละไม่ได้ท่านละได้นั่น นั่นนี่เป็นของอาจารย์กว่ากันก็เพ่อพรเห็นนี้เองสมาะคือความสามารถต่างกันการสอนสอักสอนทำก่อนลุ่มลึกละเอียดละออสุ ข, ขุมถึงจิตถึงใจเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงนํามาสอนไม่มีการประทกสถานสอนตามสิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งวิธีการดําเนินวิธีละทีถอนวิธีบำเพิญ ให้เกิดถ้ามีให้เจริญขึ้นโดยลำดับๆเป็นแต่วิธีที่สรงรู้ทรงเห็นทรงได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นนำสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกจึงหาทางผิดไปไม่ได้เห็นแล้วทุกอย่างนำมาสอนโลกหายจะพูดคือพูดเลือความถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพุทธเจ้านี่ไม่มีในโลกนี้ว่างันเถะถึงความเป็นอรหันต ในสาวกนำ้ำธรรมที่จะนำมาสอนโลกมีความแคบยากละเอียดต่าง ก, กันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากเพราะอันหนึ่งพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวากับวิสัยเป็นวิสัยของสาวกแต่ความบดยสุดนั้นเหมือนกันในแง่ของส ม, มุดแห่งธรรมที่จะนำออกมาใช้สอนสั่งสอนโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้า ทรงสดแสดงได้อย่างละเอียดกว้างขวางแม้แต่สาวกด้วยกันก็ยังต้องผึกกันเช่นพระสยบุตรมีความเฉียวฉลาดมากอุบายวิธีการสั่งสอนนี้แหลมคมมาก ร, ร่ำพระพุทธเจ้า ล, ลงมาทมโขคันลามีทิาลลาธาสวดานิภาคนี่ก็ร่ำพระพุทธเจ้าหลงมาดีไปคน ล, ล, ละด้านทางอย่างพระนุรุธะสามารถรู้เรื่องพระรากิจมิภาคือวระจิตของคนอื่นคนใดคนตาง แม้แต่เทวดเทวดาพระอนุท่าทราบโดยละเอียดแล้วออกเราจะเห็นได้ขนาดที่พระองค์ทรงทาหน้าที่ไป ร, ริ่อยผ่านเมื่อประทานเข้าว่าวาราสุดท้ายเอวาว่าในวาราสุดท้ายนั่นก็เป็นภาษาไทยใช่ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลาย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 นอกจากนั้นก็เป็นพระโสดาสกิธาอนาคาพระอรหันต์กันแล้วน่าโดดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในขนาดนั้นพระองค์จะทรงแสดงสังขารประเภทนี้หมายความลึกซึ้งอย่างเอียดขนาดไหนถ้าไม่หมายถึงสังขารตัวอยู่ภายในจิต ท, ที่ปุง ย, ย, ย, ยับๆั้ยั้งตลอดเวลาเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระโอาวาทวันสุดท้ายจะต้องอย่างถึงสังขารที่ละเอียดสุดเพื่อไปพนิพานในขนาดนั้นเท่านั้น แต่จะตีความหมายว่าสังขารต้นไม้ภูเขามันเป็นของไม่เทีย ies, ่ยงนะสาวพหกเมื่างสมันก็่าแจ่วหนึ่งเปอร์เซ็นตท่านั้นในเก้าสเกปอร์เซนจะอย่างลงสังขารธรรมคือความปรุงของจิตนี้ให้เหมาะสมกับปัจฉิมโอวาโดยศาสตาพูดสำคัญจากปริธนิพนธ์ในขณะนั้นเจ้าทํายบบหยาบมาแสดงเป็นธรรมดาธรรมนาได้อย่างไเพราะเวลานั้นมันใช่ เวลาธรรมดาเป็นวิสามันเวลาวิสามันธรรมดามเป็นวิสามันหนึ่งจะปนิพันอยู่แล้วในขณะนั้นสองพระสงฆ์ที่เฝ้าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่พุ่มเตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่พระอราหันต์ลงมาจนกระทั่งถึงกัลยาณนะปุถุชนคือพิสุขเลื่อยลงมาเป็นลำจําต้อง รับสั่งถึงต้องสังขารภายในทีเดียวเราแน่จใจดูนี่นะพอจากนั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ทรงทําหน้าที่ไปนี้ผ่านในขณะที่ทําหน้าที่นั้นพระสงฆ์สาวกก็ห้อมล้อมอยู่ทานุธาก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อทรงเข้าปฐมวชานุตรีฌานตัตถิการจตุตฌานอันเป็นรูปฌานสี่แล้วก็กล้าเข้าสู่ อรูปฌานสี่คืออาคาสารัญชาวิญญาณัญจาอาจินญญาณเนรัญญานาสุญ ญ, ญาเวทนาแล้วก็ฆ่าเข้าสู่รสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติจ hmm. นดับสัญญาละเวทนาขนาดนั้นแะ้วนะเงียบบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่นั้นเกิดความสงสัยนี่พระพุทธเจ้าพนันธุ์พานเหรือพาณุทะเป็นผู้บอกเนี hmm. ่ยฟังดิ ย, ยังยังไม่ไปนิพพาน กำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตัญญูโสดพอถ้าจิตสเสด็จเพื่อนถอยออกมาจากสัญญาเวทสยโลดก็บอกโดยลําดับลำนับจนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธิ์ธรรมดาคือลงมารูปฌานสี่ก็ลงมารูปฌานสี่จนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธิ์ธรรมดาทีนี้ก้าเข้าไปอีกเขาบอกพรงทหาบอกโดยลําดับนั่นฟังซิ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 จิตวิมุตต์คือพระจิตของพระุทเจ้าซึ่งเป็นมุตต์แล้วผ่านไปในฌานใหนผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นผ่านไปในฌานใดนพระรูปธาบอกเรื่องแบบกาลังเตะเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานนั้นเพราะมีสมมุติเป็นเครื่องภาคพิงพอพูดได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นกําลังกล้าพอผ่านฌานนั้นฌานนั้นถ้าหากไม่มี สมมตินี่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตนั้นแม้จะมีอยู่เพียงไรก็ตามพูดไม่ได้อ่านี้พอออกจากปฐมจากจตุตฌานแล้วไม่เสด็จเข้าสู่รูปฌานสี่รูปฌานสี่ก็ไม่เสดงเข้ารูปฌานสี่ก็ผ่านมาแล้วนั่นล่ะที่นี่ปริพันธ์ในทํามกลางแห่งสมมติทั้งสอง เพื่อรูปฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติถ้าออกสเสด็จออกทรรการพอถึงจุดถึงตรงนั้นแล้วธาตุุทะ ก, ก็หมดวิสุทธิไส้ว่าที่นี้ไปฏิภูผ่านแล้วน่ะคือไปพาทินกับอะไรอีกไม่มีมีเฉพาะพระสิระในขณะนั้นได้เห็นแท้จริงอันนั้นพิณานี่พรูนุทะท่าน ส, สามารถดังนั้นถ้าสงบนั้น เป็นพระหลานก็กินแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระรัจจาวิชชาเหมือนพระนุทะและจึงสมนามว่าพระนุทะเป็นเอกลักษณ์ทางพระรัจจาวิชชาสามารถรู้วาระจิตของใครได้ทั้งนั้นแม้สุเทวดาที่มาเกี่ยวขว้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ไปนิพพานแล้วจะเอานําพระสรีโสดออกทางทิศใดนี่ต้องก็ต้องพระนุทะเป็นผู้บอก พระเทวดาทั้งหลายไม่ต้องการให้ไปทางทิศนั้นทีศนั้นต้องการให้ไปทางทิศนั้นน่ะรู้จนกระทั่งถึงความประสงค์ของเทวดาครั้งนีแล้วเอาไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้จริงๆต้องไปทางทิศที่เทวดาทั้งหลายต้องการตามที่พระอนุท่บอกไว้แล้วไปทางนั้นไปได้แตนเวลาจะถวายเพลิงพระองค์ยังถวายไม่ได้อื เทสะหลายยังไม่ยังยังไม่ยินยอมให้ให้ถวายะเพติศเพราะพระกัสสปะมหาเถรพระมหากัสสปะกํากลังเดินทางมาจะมากราบพระศรีศสุภสมพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นนี้ยถึงจะทําได้เน่ยทั้งทั้งที่เวลานั้นก็ไม่ทราบพระกัสสปะอยู่ที่ไหนฟังดิมันสุดวิสัยไม่สำหรับพวกเราแต่ถสาหรับพระพทธธรรมไม่ใช่สุดวิสัยเหมือนบอกคนตาบอด เาอย่างหนึงเขาจะว่าว่าคนพระนั้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้หลาอืทิวดาที่ไหนพระคัสปะที่ไหนไม่เห็นนี่แล้วก็ไม่นานพระคัสตะก็มาอ่าพาบริษัทบริวารมากราบพระเจ้าตบของพระองค์แล้วก็จากนั่งมาเอาวที่นี่พระพระชทานถวายเพลิงท่านได้ไม่มีอะไรขัดข้องก็ถวายเพลิงก็รบเลยตอนแรกถวาไม่ได้ ถลายเสริไม่ได้ถลายก็ไม่ไม่ไมทางเลยนั่นเป็นความจริงทุกอย่างเพราะอันนี้เป็นวัตถุอันนั้นเป็นใจที่ทํานาดที่ทายออกมาทายออกมาถทายมาก็เป็นตามนั้นจริงๆเห็นไม่ให้ออกทางคิดนั้นคิดนี้ให้ออกทางคิดเหนืออย่างนี้เทวดาทั้งหลายมีความต้องการอยากให้พระพิรุษขององค์ออกทางด้านคิดเหนือนี่ออกประจังที่อื่นก็ไม่ได้ไหนฝอยไปไม่ได้ ต้องออกทางทิดนั้นเราไม่เห็นตัวแต่ว่าพระเชษฐศพไปไม่ได้อืทําให้หนักให้อะไรไปไม่ได้ไม่เคลื่อนย้ายไปเอะีรเฉยๆนี่จะว่าไงนั่นลพลังของนิทธาสดานุภาพของพวกเทวดาทั้งหลายอดีครัพลังเราไม่มองเห็นที่ดูปาล์มไม้ต่เนี้พลังอนหนึ่งที่เราปาลมาม้ไปพลังอันาาาหนึ่งที่มันหนุน ไม้ตกไปโน้นตกไงนี่เรามองไม่เห็นเห็นแต่ไม้เท่าอั้นหรือธนูยิงไปจากแหล่งหรือยิงปืนออกไปจากก็บอกปากก็บอกปื น, นมันพุ่งไปไหนพลังเรามองไม่เห็นแต่มันไปได้อย่างไรมันไม่มีพลังมันไปได้ไหมนั่นดรือีอันนั้นล่ะอันลึกรับอะไรจะลึกลับละเอยียดยิ่งกว่าศาสนาถึงแล้วนี่ไม่ นอกเหนือบวงคําสอนโดยเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงออให้เห็นทัตุเอกภาษาพวกแต่และองค์มีความสามารถต่างกันจึงได้รับเอเสสะจากพระองค์ที่ทรงตั้งองค์นั้นเป็นเอเสสะในทางนั้นเช่นพระพุณณมันตนีบุตเป็นเอเสสะในทางธรรมกถึก์เอกไมนมีนใครสมหวัง พระสายิบุตรทรงทางปัญญาเนี้อสลัดทางด้านปัญญาพระโมกคลาเก่งทางนิทานสดานุภาพพระปุรมันตานีบุตรอย่างที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเข้าที่ท่านเทศเน้นหนักลงในสันเรล่ขธรรมสิบประการถ้าปุรมันตานีบุตรเทศ สอนบรรดาพราสงฆทั้งหลายสันเลขาธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดกขเกลาคิดหล็กมีสิบประการหนึ่งอปิชาตาเป็นให้เป็นผู้มักน้อยยาพลุงพลังออกขี้นุ่นนู่นหาผาบลุงพลังถ้าเป็นผู้มักน้อยจะมีมากถึงไรให้เป็นผู้มากน้อ ย, ยอเ อ, อ, อ, อาแต่พอสิอออ่งที่เป็นของจําเป็นเท่านั้นใช้สอยอลืมอะไรก็แล้วแต่ ลองลงมาก็สั้นโดดความยิ น, ยนดีตามกานกตามไัสังสันนิการยาพวกขีซึ่งกันและกันไม่เป็นเรื่องไมหลาววิเวกต า, า, าเป็นผู้ชอบที่สถานที่วิเวกงัดงอันเนิ่งที่พวกท่านบุ่นวายกับ พิมกวควรทั้งหลายวิริยาลำพาให้เป็นผู้หนักในความเพียรประกอบความภากเพียรในยาบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยความเพียรเป็นลำดับหนั ก, นกสีลรักษาให้ดีศีลเป็นสมบัติอันรุนค่าสําหรับพระนะไม่สมบัติอะไรที่จะของพระที่จะสง่าผ่าพเผยยิ่งกว่าความเป็นผู้มีสีนบริสุทธิ์เป็นผู้อาถรรพ์ด้วย สมาธิทำจิตใจให้แน่นหนา ม, มั่นคงอย่าให้ว่าวแว่กคอนแคลนให้เป็นเหมือนหินทั้งแท่งเพราะความมั่นคงของจิตที่เป็นสมาธิปัญญาพิจารณาใกล้ควรให้ละเอียดละออตลอดทั่วถึงกิเล่มีหลายประเภททั้งสันสันหย่นหยากันจางสอุ่ทั้งภายนอกภายในคอยจะคค้าเข้ากันอยู่เสมอให้ใชส้สติปัญญาพิณิพิจารณาด้วยดี เพาะาแข่งวิริยาลำ้ำพาลคือประกอบความเพียรด้วยสติปัญญาเสมอวิมุตต์เนี่ยเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มที่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นมาที่จิตดังนั้นเองวิมุตติญาทัศนะเมื่อได้หลุดพ้นแล้วยานความรู้แจ้งชัดว่าดพุพจนแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันนี่คือสันเลขาธรรมที่พระปณารถปุรนมันตานีบุตร ซึ่งเป็นธรร ม, มระตรัสรู้เอกท่านเทศท่านมากจะเน้นหนักลงในธรรมอยงนี้ซึ่งเป็นธรรมเหมาะสมมากสําหรับพระเรา <c oughs> นี่นะวิธีการดําเนินงานของพระท่านดําเนินดังนี้เป็นผู้มากน้อย น, นักสั่งโดอ ย, ย่างลดลงมาอยู่กับสั่นโดดอย่าให้เลยความสันโดดไปยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ทัานั้นถึงได้ไม่มีอยาก แสดงความโลภโลเลผิดวิสัยของพร ะ, นะะอสังขมีกาอย่างคุครีตีมงขึ้นกันละกันโดยหาไม่ลด้มีหลัไม่ได้ไไดนอกจากธรรมศาสตรฉ า, ศาการเลยนะธรรมศาสตร์ฉาที่จะสนทนาธรรมะเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเป็นข้อประพฤติพิเดชหรือเป็นคติขึ้นกันละกันตามไม่ได้ไมีลา มีเอกตาที่ไหนตั้นักให้มุ่งให้สแสวงทันวันทางนี้วิริยาลำพาคือความประกอบความภาคเพียรในทุกเอียบทอย่าให้สติได้ปราระจากจิตจิตเป็นตัวขนองจิตเป็นตัวดื้อด้านจิตเป็นตัวดีดลดเต้นเป็นกระโดดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตัวเหตุที่สร้างกองทุกข์ทั้งหลายคือคือตัวนั้นเพราะนั้นจิงชาติสติปัญญาผุดค้นตรงตรงนั้นและให้กําหนดดูให้รู้มันคิดไปเรื่องอะไร ส่วนมากคิดไปแต่เรื่องที่จะผูกมัดมตัวเองก่อพืนก่อไฟให้มัเผารุ่มตัวเองด้วยความที่ความปรุงต่างๆนี่คือว่าโรงงานมันสร้างวัตจักรมันสร้างที่ตรงงานจิตนี่แหละคือวัตจักรมันสร้างวัเครื่องวัตจักรหมุนตัวเองก็อยู่ในจิตนั้นเองจึงต้องใช้สติปัญญาพิณิพจน์มาด้วยที่ทำสามสี่ห้าขอนเป็นธรรมสาคัญมาก พระสงฆ์ในครัง้งพุทธกาลท่านเดินอย่างนี้พูดกันก็พูดในสันเลขาธรรมไม่พูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองการลบราการการการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงงานราชการนันงานรองการนี้งานราชการชั้นนั้นชั้นนี้ออืเอาเรื่องโลกสงสารมาพูดไม่มีเพระนั้นเป็นเรื่องของโลกว่าของโลกเขาเรื่องของธรรมเรื่องของเรา อย่างไรกิเลสจะหลุดลอยไปฟาดลงไปตรงนั้นนี่แหละเป็นงานของสมณะแชดังที่ไปพูดแล้วต้นก็ยกให้เจสารุมานาข่าตั้งแต่ตัวตั้งแต่พัฒนาบทโบทชายังมอบงานนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่ที่ประกอบให้เป็นสํานักงานของเราที่เหมาะสมคือที่เช่นไห น, นวิเวกตานั่นเองไม่ไปไหน อา wow. สาสักขนิการไม่ต like ้องรุมีรุ่นรุ่นเดยววนมากับใครเป็นห่วงเป็นใญยกับใครวิญญาลัพาประกอบความภากเพียรพ oriented, well. ิจารณาเจสามารณานัขาหน้าตาแต่โตตลอดอาการทั้งสองภายในภายนอกออกมาเทียบเทียงกันให้ได้สันโดยส่วนโดยความเป็นของนิจังทุกขังหน้าตาหรือโดยความเป็นปติพะอธุภังป่าช้าผีดิพิจารณาลงให้มชัดเจนความจริงนี้อยู่กับตัวของเราทุกคนทําไมจะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำคําว่าปฏิกูลมันดูได้เลยในตัวของเหล่านี้มีแต่หนัง บางๆงมันหุ่นไว้เท่านั้นแ่ะเป็นเครื่องหลอกทางต่างแล้วเข้าไปข้างในมีอะไรยางมัไปตามความจริงทำามัก็ไม่เห็นเพระพุทธเจ้าสอนอย่างเปิดอย่างเผยสอนของมีอยู่เต็มเลยร่างกายของเราทุกคนทําไมจึงไม่รู้ไม่เห็ น, นผิวหนังบางๆงเท่านั้นแหะมันหลอกไว้นี่ยถ้าไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ไน้ไม่ว่าหญิงมว่าชายนี่จะแมลงวันตอมหึ่งหึงไปหมดนี่พอดูได้ก็เพราะผิวหนัง หนังบางๆผิวบางๆออกเลยเขาพระท่านกอดเยิ่อไปเลยบุพเพโลหินน้ํำนอาน้ำหนองแล้วเข้าไปอะไรเขายิ่งเต็มไปเ้วยของประคุณทั้งนั้นนี่ประชารถดบก็คือเราพิจารณาให้มันเห็นชัดเลยข้างนอกก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงว่าชายมันเหมือนกันนี่ถ้าคัมมาโลกริทูทะลุแจ้งเห็นสิ่งนี้ชัดดูที่ไหนมันชัดหมดเพราะมันเหมือนกันนี <c oughs> ่ละ ง, งานของข้า ถ้าไปจะเป็นดูอสุภาสะขังก็ให้มันชัดเจนถึงความจริง เ, เรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาชนิดใดก็ตามในใจรักถนัดในทางใดพิจารณาให้เห็นประจักษ์แตพ่ออย่างยิ่งสำหรับผมเองน่ทุกขังเ อ, อมันประจักษ์มาลสุดท้ายกับอนัตตามันเลิกกันไปหมดเลยพิจารณาทุกขงังคือยูดเวลาทุกข์มันบีบคั้นเลเราได้เห็นทุกข์ชัดเจนในตอนนั้น แต่พออย่างนี้เวลานั่งหามรุ่งถามค่ำอะไรก็ไม่ให้มันโลกเนี่ยวามันไปสติปัญญาไม่เท่าไรขุดค้นลงไปคนเราเมื่อจะตายจริงๆเน้ยมันไม่ยอมตายง่ายมันต้องหาอุบายวิธีช่วยตัวเองจนไดน้สติปัญญาจะเกิดในขณะนั้นขณะที่จะของพยายามช่วยตัวเองอตัิตโนนาโถขึ้นแล้วในอ ย, อยานั้น ทุกครั้งเรียสัจจังท่านว่ทุกเป็นของจริงเราก็ถือว่าเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ต้องการเราไม่อยากพบอยากเห็นแต่ไม่อยากพบอยากเห็นเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในร่างกายเพรามันมีอยู่ที่นี่เมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปแยกแยะกันเรื่องสกลกายกับทุกขเวทนากับใจสามอย่างเป็นสำคัญดูอาการใดของร่างกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เห็นมัน แสดงว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ทราบความหมายของทุกข์ด้วยซ้ำร่างกายก็อยู่แม้จะเต็ ม, มในร่างความทุกข์จะเต็ ม, มในร่างกายทุกส่วนแต่ร่างกายก็หาได้ทราบความหมายแห่งความเป็นทุกข์ของมันไม่เวีนาที่ความทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนเอง <c oughs> สุดท้ายก็คือใจไปสําคัญมากมายย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณายิ่งทุกข์เกิดขึ้นมากเท่าไรสติปัญญาจะต้องเหมื่อยติวติวติวนอนตัวไม่ได้ลนะนั่งลนะตอนมันจะเกิด <c oughs> ปัญญาเฉลี่ยจะหนาทําเหตุาการณ์แล้วเอาตัวรอดได้เขาพิจารณาเขาไปดูร่างกายเอาอันนั้นเป็นทุกข์ถ้าดูแล้วร่างกายนี่มันมีมาตั้งแต่วันเกิดทุกอันนี้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เช่นเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกตามแข้งตามขาในขณะที่นั่งนานนมันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หากว่าแข้งว่าขาว่าหนังว่านเนื้อมันเป็นตัวทุกข์ทำไม เวลาทุกดับไปแล้วสิ่งนี้จริงยังเหลืออยู่มันเป็นอันเดียวกนหนึ่งมเยถ้าเดินเดียวกันต้องดับด้วยกันทุกเกิดขึ้นอันนี้จริงปรากฏขึ้นมาทุกดับไปอันนี้ต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกดับไปมันก็มีอยู่ทุกเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วใจแล่วน่ะใจเป็นทุกข์หรือถ้าจะเป็นทุกข์ทุกดับไปใจทำไมไม่ไดับฮอไล่เันเข้าไปไล่เันไปไล่ขอพระทใจมันยิ่งจอนะ่อสติยิ่งจอ่อปัญญายิ่ง ขะโลเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปนั่นละหมุนเิีวเิีวมถ้าเป็นนักมวยก็จะเข้าวงในเถอะไม่ได้ตายเข้าวงในอันนี้มันเข้าวงในนะสติปัญญาต้องหมุนเกีวเกี่ยวเกี่ยวต่อให้ต่อมันก็เข้าใจซึ้งลงไปซึ้งลงไปซึ้งไปอพอซึ้งลงไปแล้วกาก็สับแต่ว่ากายโอ้จริงอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กาเองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นตัวทุกข์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 มันต้แยกกันหน้าแยกกันหน้าเข้าใจชัดเจนพอทราบว่ากายเป็นของจริงเต็มส่วนเวทนาเป็นของจริงเต็มส่วนใจก็กลายมาเป็นของจริงเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วไม่กัดทบกัดถึงทุกเวทนาจะมีอยู่มากน้อยก็ไม่สามารถคุมทราบคุมจิตนี้เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนอกจากทราบเป็นอย่างชัดเจนนี้แล้วทุกเวทนาจ น, นดับลงไปในขณะนั้นหายหนับไป อนีไม่ ด, มดีร่างกายหายไปด้วยกันอีกในความรู้สึกเหลือแต่ความรูุ้ล้วนๆเป็นอากาศกระทา่าเบื้องว่างไปหมดกายทั้งกายไม่ตากฏเลยในความรู้สึกแล้วไม่ทราบว่าจิตนั้นอยู่สู ง, ส ง, สงสอยู่ต่ำเพราะไม่ขาดหม่หมายทราบแต่แต่วรู้และอัศจรรย์เท่านั้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการพิชเชินมาในเวล า, านจนกรอกจนหมุนแล้วสร้างสติปัญญาขึ้นจนเอาตัวรอดขึ้นมาได้ตากฏดิตเด่นดวงโดยลําพังตัวเอง ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวเกาะได้เลยในขนาดนั้นน่ะนี่เป็นแล้วไม่ได้มาพูดอวดเฉยๆได้ทำมาแล้วอย่างนี้ด้วยไ ด, ได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนี้มาแล้วด้วยจึงสามารถพูดได้เต็มปากโดยไม่โชกสถานนี่คือสร้างความกล้าหาญในตนพอจิตได้เดินทัดขึ้นด้วยอนานาจของสติปัญญาแล้วไม่กลัวเรื่องตา่าง อ้าวถึงเวลาตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราว้นาเ น, นื้อก็ขนาดนี้ทุกขเวทนามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบาชัดเจนแล้วด้วยปัญญาของเราถึงเวลาสุดท้ายคือวล า, าจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเพเวทนาหน้าเก่านี่แหละกายก็เป็นของเก่าทุกเวทนาก็เป็นของเก่าจิตก็คือผู้เก่าปัญญาสติปัญญาก็คือผู้นี้เองอ ม, มันจะนอกเหนือเรือย่างนี้ได้ยังไงคนนลนไปจนเห็นชัดเจน จนกระทั่งถึงว่าตายตายอะไรมันตายพิจาราไปจริงมันไม่มีอะไรตายนี่ตามหลักความจริงคือพิจารณารู้เห็นตามโดยลําพังตัวเองถ้าสมมติว่าร่างกายนี่มันสลายลงไปส่วนท่าดินมันก็ลงซึมซับลงไปเป็นน้ําก็ซึมซับไปเป็นน้าดินก็เป็นดินตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจว่าหรือมันจะตายมันก็ไม่เห็นตายว่าจะตายที่ละมันยิ่งเด็่นมันตายได้ยังไงใ่มันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้ยังไง แล้วอะไรตายไม่มีอะไรตายมันโกหกกันน่ะเวลาเรู้จัทธันแล้วโอ้โหโกหกกันหรือเปล่าทั้งๆที่ใครก็มีเิจารณาจะโกหกกันแหละในขณะที่พิจารณารรมันนักเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกขึ้นมาเน้อโกหกกันกลัวตายเรื่องหนึหาความตายก็ไมเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงเท่านั้นเกิดความกล้าหาญทางทางขึ้นมาติดติด สงบเงี่ยไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวทุกเวทนากวมดหายหน้าไปหมดแม้ที่สุดร่างกายนี่ก็หายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้นลวนเหมือนกับเป็นอากาศสาัทาาว่างเปล่าหในขณะนั้นแม่เด็ดสำคัญว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ในที่เช่นไร เอาแต่ความที่รู้อยู่เด่นๆนั้นน่ะดูที่รู้ที่เด่นๆนั้นน่ะสูงต่ำไม่สําคัญเป็นขึ้นเองรู้ขึ้นเองดูเองเมื่อหมดกําลังนั้นแล้วแล้วขยับตัวออกมาคือจิตนี้เคลื่อนไหวตัวเองแล้วก็แยบออกมาเป็นสังขารความตรงแล้วก็มาทราบเดินร่างกายนี่ถอยออกมาแล้วอ๋อร่างกายก่อนจิตอถอยม่มาไปแรกเวทนากระด้างไม่ น, น, น, นึงน หายเนี่ยพิจนนารณาไปอรกพอนานไปสักหน่อยเมืนน่อพิจารณาเขเริ่มลดเขาฟาดกันอีกพิจารณาอีกเอาอีกลงได้อีกแต่การอุบายพิจารณาทุกการพิานี้เราจะอุบายเก่าที่เคยพิจารณาแล้วนั้นไปพิจารณามันไม่ได้นาเออ ม, มันเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันเป็นขัญญาอารมณ์มันต้องเป็นอุบายที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในวงปัจจุบันหากจะตรงของเก่าก็ให้มันตรงนะถ้าไม่ตรงของเก่า ก็ให้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันนักจิตที่คิดขึ้นได้โดยกำแพังตัวเองมันจะโองของเก่าวก็ตามนั่นมันเป็นปัจจุบันมันตัวเองก็แก้กันได้มีการพิจารณาเรื่องอันนี้การทุกขังตาเราไปเด่นเรื่องทุกขังในการพิจารณาร่างกายทีวันละสุดท้ายของความสามารถของเรานี่ไปลงในอณูตา สัเพธรรมานตาตาเรียบกันตรงนั้นอะไรยลูกประจามเบตนาสัญญาสร้างขามิจยานที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในร่างกายมันเป็นอนตตาทั้งนั้นมีสัเพธรรมานตตาในธรรมานตตาสุดท้ายธรรมานตตา จิมีความปองสายต่อยร่างกายรูปเวทนาธรรมาทรรมขานวิญญาไม่หมดนั่นก็จะนั่ก็มีก้อนสมมุติ์ของมันอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้ความใสแก้วใสสะอาดชาง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญนักนั่นนั่นนี่ก็เป็นอาสาใครที่ยัเป็นอาสามราก็ทราบไดยชัดโดยการปฏิบัตินี้ในขณะที่มันจะเป็นขึ้นมาใน้ปิดดวงเดียวนี้ทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนักน มันลำพึงนะเดี๋ยวว่าใสเดี๋ยวว่าเศร้าเดี๋วว่าผ่องใสเดี๋ยว่าเศ้าหมอง อ, อเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ทำไมจิตดวงเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนักมายมันลำพึงลํำพึงจิตจอมคําว่าผ่องใสก็ดีนะคําว่าเศร้าหมองก็ดีคําว่าสุขก็ดีคําว่าทุกข์ก็ดีทำเหล่านี้ ทำต้องสองเงินนี้เป็นอนัตตามานั่นแรงขึ้นเป็นอนัตตาพออนัตตามันมันก็นกทราบทันทีซึ้งถึงจิตนันก็ปล่อยเพื่วเอี่ยงไม่มีอะไรเหลืเลยพอถึงขั้นสุดท้ายมันเอาอนัตตามาสรุป อ, อนัตตามาันมันม้วนชาบถึงธรรมานุสาวรรคบไปหมดเลยสเบธรรมนานังอันนี้ได้แยะ ทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นถึงขั้นนี้แล้วควรจะพูดถึงเรื่องทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเมื่อถึงขั้นควรจะปล่อยแล้วให้ปล่อยทั้งหมดเช่านั้นขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไม่ควรจะปกอดบันไดอยู่นทำามันยังไม่ถึงขั้นนั้นจะปล่อยให้บอกให้ปล่อยบันไดไม่ได้คนเราจะปล่อยอะไรเลยเป็นหนาตาไปหมดทั้งทัๆที่ยังหาชี่ยึดมาได้เป็นไปไม่ได้อัตาต้องเป็นคู่เคียมมันไป โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเส้นเดียกกับขึ้นบันไดพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันปล่อยขึ้นมาเองก็เท้าข้างหนึ่งก้าวขึเหยียบปนบ้านแล้วเท้าเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดมันก็ปล่อยบันไดปุ๊บเสรจถึงนั่นควรปล่อยบันไดแล้วถึงขั้นนี้แล้วปล่อยนียสัปเธรธมานาลังอ้เยเรซายะทำตั้งวงไม่ควนถือม่าน ก, กังหมาใช่ไหมถึงขั้นนี้แล้วจะยึดอะไรไว้ไล่ะยึดไว้ทําหมัก็ปล่อย ถ้เพรยธรรมานาตาต่อนเนี่ยหนีสะุ้ตรงนี้มารวมยอดทําทําอนาตามาลงตรงนี้มารวมยอดตรงนี้อิ่มโลกอิ่มธรรมทีทนโลกก็ไม่ติดอิ่มแล้วพอแล้วไม่อยากไม่หิวกับอันใดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมติทำก็เหมือนกันไม่ว่าทำดีทำละเอียดขนาดไหนทุกทุกละเอียดขนาดไหนซึ่งอยู่ในขั้นสมมุติ อิมพอตัวนี้วปอดแม้แต่จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ยึดนั่นถ้ายึดอยู่ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ยังอาศัยทำอยู่ก็ยังเรียกว่ายังยึดทำอยู่ยังเรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์ลงทัชเพธธรรมานาัตาขึ้นที่ว่าสมมุติขั้นใดบุญก็ดีบาปก็ดีปุญญะปาปาป น, นาิละละทั้งหมดเพราะเป็นสมมุติด้วยกัน ถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่จ่อยบุญญาตาปับจุบ ญ, ญาบางคนผู้มีบุญญาบาปอันละเสียแล้วนั่นมั่นแ่ะที่ว่าอิ่มตัวอิ่มทาก็เรื่ออิ่มโลกก็เร่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายนี่ผลของการปฏิบัติเราจะไปหามผาลมิตรพานที่ไหนถ้าไม่ หาในข้อปฏิบัติในความภาคเพียรของเราเราจะไปเชื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจาก พ, พระอวัธของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวอย่างยิ่งแล้วออกมาจากสวดคารธรรมตามที่ชอบกุกลที่อย่างนี้นปฏิบัติเธอนิยานีกิก็รรมจะนําออกโดยระดับระดับเรื่องหน้าทั้งความเพียรสติปัญญาของเราที่ไม่ถอยหลัง อันใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันใดเล่าจะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นจากลอาคิดเอาเอาโลกมาเทียบโลกมีถึงสามโลกะธาโลกโลกไหนดีโลกไหนจะดียิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกขของใจละ่ะ<ม>นี่ตรงนี้เ่ยเมื่อเห็นความหลุดพ้นจากทุกขของใจว่าเป็นของกสวรรค์แล้วความเพียนก็เล่นอ และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมีอำนาจวาสนามากั้นกลางมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้วไม่ให้ได้รับผลเป็นไปไม่ได้ไ ม, มไม่มีผู้ใดมากั้นกางมรรคผลนิพพานไม่มีการไม่มีสถานที่ใดจะมีอำนาจมากั้นกางมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้บรรลุตามขั้นภูมิของตนมีทบกับสมุทัทยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานเจิงต้องพิจารณาเรื่องทุกข